สิบหลวงพระชามันได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษตอนนั้นท่านก็พาอาจารย์ุูเมโทแล้วก็พระฝรั่งอีกสองสารูปไปกับท่านด้วยตอนนั้นยังไม่มีวัดอมารว ด, ดีไม่มีวัดจิตสัตตาจิตวิเวกเนะี่ยเพราะว่านะ อาจารย์เพราะว่าวัดเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่อาจารย์ซมเมโทได้ปักหลักอยู่ที่ประเทศอังกฤษก็สืบเนื่องจากเหตุการณ์ในปีนั้นแหละ20เพราะว่าพอขากลับก็ก็กลับแต่พระาชาแต่ว่าอาจารย์ซูมเมโทก็ไม่ได้กลับด้วยตอนที่ หลวงวชาได้ไปแสดงธรรมที่อังกฤษนะตอนนั้นก็มีท่า น, นก็พักอยู่วิหารเรียกว่าวิหารแฮมสเตดนะมันไม่ใช่ไม่เชิงเป็นวัดทีเดียวมีวัดไทยอยู่แล้วตอนนั้นนะแต่ว่าทางชาวฝรั่งที่เป็นชาวพุทธนะเขาก็มีกิจกรรมของเขาต่างหากก็เลยสร้าง วิหารแฮมสเตดขึ้นมาให้พระจากที่ต่างๆได้มาพักแล้วก็แสดงธรรมก็ในเรื่องธรรมะล้วนๆนะไม่ใช่เป็นเรื่องของประเพณีอย่างที่วัดไทยในต่างประเทศนะเน้นหนักกันวิหารแฮมสเตดนี่ก็อยู่กลางกุลลองดอนเป็นยานที่จอดแจอกคมควร มีน้ำซ้ำตรงฝั่งตรงข้ามก็เป็นผับเป็นบาร์ั้นกลางคืนก็จะมีเสียงดนตรนีช่วงคืนก็เป็นช่วงเวลาที่พระแล้วก็โยมกำลังนั่ง ส, สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็แสดงธรรมก็เย็นวันหนึ่งหรือค่า ว, วันหนึ่งเนี่ยนะหลวพรอชาท่านก็อ่ชวน พระแล้วก็โยมนั่งสมาธิมันก็มีเสียงดนตรีนะดังเข้ามานะอุกทึกพอสมควรอ่าพระแล้วก็โยมนะก็นั่งสมาธิไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไหร่อาจารย์สมัยโทท่านก็ก็เล่าว่าเนี่ยช่วงตอนนั้นเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดมากกับ เสียงที่ดังเข้ามาแต่ขณะที่ใครต่อใครหน้านี่ขี้มขมวดขณะที่นั่งสมาธิหลวงพ่อพชากับนั่งสงบเหมือนกับว่าท่านกำลังนั่งอยู่ในป่าอยู่ในอยู่ที่หนองประพงษ์นั่นแหะเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิเสร็จท่านก็แสดงธรรมตอนที่นั่งสมาธิก็นานปนระมาณสี่สิบนาทีได้ เสร็จแล้วก็แสดงธรรมตอนที่แสดงธรรมก็เสียงก็คงยังรบ ก, กวนอยู่ต่อไปเมื่อแสดงธรรมเสร็จนะโยมนะฝรั่งนะซึ่งเป็นเจ้าภาพนะก็เข้ามาหาหลงวงพ่อชาแล้วก็กราบขอโทษนะว่าที่มันมีเสียงรบ ก, กวนเสียงดังขณะที่ ทำสมาธิทำให้นั่งสมาธิกันไม่ค่อยได้หลวงพ่อชาท่านก็นยิ้มแล้วก็ตอบว่าเนี่ยโยมคิดว่าเสียงมารบกวนเรานะแต่ที่จริงอ่ะเราต่างหากที่ไปรบกวนเสียงท่านะพูดแล้วก็ยิ้มก็ไม่รู้โยมเข้าใจหรือเปล่านะ แต่จากสุมเมโทโธเขาได้ฟังก็ก็ได้สติเลยเนยหวงพระชาคงจะต้องการที่จะพูดว่าเสียงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละแต่ใจเราต่างหากนะที่ไปไปทะเลาะบบกแวงนะ้งกับเสียงนั้นเริ่มต้นตั้งแต่เราไปให้ค่ากับเสียงนั้นแล้วนะแทนที่จะฟัง เมื่อหูเมื่อเสียงกระทบหูแทนที่จะสักตะวันได้ยินก็ไปไปปรุงแต่งต่อนะไปให้ค่ากับมันว่าเสียงแบบนี้ไม่ดีเสียงเพลงไม่ดีเนี่ยกลังนั่งสมาธิอยู่มีเสียงดังเข้ามาก็จะให้ค่ากับเสียงนั้นทันทีว่ามันไม่ดีเมื่อไม่ดีแล้วจะต้องไปจิตก็จะไปสู้รบตกมือกับเสียงนั้นอใจที่ไปสู้รบตกมือกับเสียงนั้นเนี่ย หรือว่าไปทะเลาะบบาแวงกับเสียงนั้นอันนี้แหละทำให้เป็นทุกข์ถ้าหนึ่งพูดว่าเนี่ยเสียงไม่ได้รบ ก, กวนเรานะแต่เราไปรบ ก, กวนเสียงไปรมรันพันตูกับมันนะลองสังเกตดูก็ได้นะเวลาเราไปดูหนังนะแล้วก็มีคนพูดคุยกันอยู่ข้างหลังหรือว่ามีเสียง โทรศัพท์ริงโทนดังใจเรารู้สึกอย่างไรกับเสียงนั้นหรือว่าขณะที่กาลังฟังทำอรือมีเสียงโทรศัพท์ดังหรือว่ามีเสียงคนพูดคุยกันเสนียงอาจาะเสีย ง, าายงก็ไม่ก็ไม่ดังอะไรเสียงริงโทนก็จะเพาะด้วยซ้ำนะแต่ทำไมใจเราเป็นทุกข์นะเวลาใจเราเป็นทุกข์เราก็โทษเสียงนะ แต่ว่าไม่ได้ดูตัวเราดูใจเราว่าไปทำอะไรกับเสียงนั้นหรือเปล่าบางคนเรามักจะโทษสิ่งภายนอกเวลาทุกข์หรือเวลามีปัญหาจะไม่ได้กลับมาดูใจของเราว่ามันเป็นตัวการหรือเปล่าเพราะว่าชาันเคยพูดไว้ในอีกทื่นนะวันนี้เวลา มีหลุมนะแล้วเราเอามือล้วงเข้าไปในหลุมนั้นเพื่อจะหาของอะไรสักอย่างถ้าหากว่าล้วงไปไม่ล้วงไม่ถึงเนี่ยนะก็มักจะพูดว่าหลุมมันลึกนะแต่ไม่เคยมีใครที่จะมาบอกว่าแขนเราสั้นเลยเรามีแต่โทษว่าหลุมลึกนะแต่ไม่ไม่เคยคิดเลยว่าแขนเรามันสั้นหรือเปล่า อันนี้มันบอกอะไรบ้างเกี่ยวกับใจของคนเรานะใจเราก็ชอบโทษนะสิ่งภายนอกเมื่อมีปัญหาเมื่อเมื่อไม่สำสําเร็จประโยชน์หรือว่าเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่ก็จะโทษว่าสิ่งภายนอกเนี่ยคือปัญหาหลุมมันลึกไปเสียงมันรบ ก, กวนเราแล้วนะเขา พูดจาไม่น่ารักนะหรือว่าเขาไม่รู้จักไม่รู้ใจเรานะเขาไม่เข้าใจฉันนะแต่ว่าไม่ค่อยกลับมาดูตัวเองเออแล้วเราเข้าใจเขาหรือเปล่านะาแขนเราสั้นไปหรือเปล่าหรือว่าเราไป ไปไปเอาคำของเขามาหมกมุ่นคุณคิดหรือว่าไปเอามาเล่นงานจิตใ จ, จเรารู้เปล่าเนี่ยเขาพูดแล้วเขาก็ลืมไปแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังเก็บเอาคำเหล่านั้นเนี่ยมา ทิมแทงตัวเองมาบบยตีมาทำร้ายตัวเองความทุกข์เนี่ยนะโดยพอทุกข์ใจเนี่ยมันก็เหมือนกับเสียงดังแะนะเสียงจะดังได้เนี่ยเช่นเสียงตบมือจะดังได้เนี่ยมันต้องมีสองมือถ้ามีมือเดียวนะ มันก็ไม่ดังคีอมีเสนอว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังตบมือจะดังได้ต้องมีสองข้างความสุขหรือความทุกข์ก็เหมือนกันนะมันก็ต้องอาศัยสองปัจจัยปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในปัจจัยไกลปัจจัยใกล้ของอร่อยเพลงเพราะนะแต่ว่า มันจะทําให้เรามีความสุขได้เนี่ยใจเราก็ต้องต้องผ่อนคลายด้วยใจเราก็ต้องว่างด้วยเกิดใจเราไม่ผ่อนคลายเกิดใจเรากาลังเครียดกําลังคิดที่ตกกังวลถึงพ่อนึกถึงเป็นห่วงลูกนะหรือว่ากลุ้มอกกลุ้มใจกับความเจ็บป่วยของตัวเนี่ยกินหาร ราคาแพงเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกว่าอร่อยหรือมีความสุขฟังเพลงนะซื้อตั๋วราคาเป็นหมื่นพอบรรเลงดียังไงแต่ใจเราก็ไม่มีความเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกมันเพลาะเพราะอตอนนั้นใจเนี่ยกําลังวิตกกําลังเป็นห่วงกําลังคุ้นคิดนะใจเราต้องพร้อม ด, ด้วยนะ กินอาหารถึงจะอร่อยฟังเพลงงจะพราอแถ้าใจไม่พร้อมความสุขก็เกิดขึ้นไม่ได้แม่จะได้เสพรูปรสกลิ่นเสียงที่ประณีตที่วิเศษก็ตามความสุขชันใดความทุกข์ก็ชันนั้นนะมันก็ความทุกข์ใจนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกมีอยู่ที่ใจเราด้วยรูปรสกลิ่นเสียงที่ไม่น่าพอใจแม่มา กระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนะี่ยมันก็ไม่ทําให้ทุกข์ใจได้ถ้าหากว่าใจไม่ไปเอออหอหอออมกนะไปร่วมมือด้วยนะหรือไม่ไปลงมือเนะสียงทําให้ทุกข์ใจไม่ได้ถ้าหากว่าใจไม่ไปสู้ลบตบมือกักบเสียงนั้นนะมันไม่ใช่แค่เสียงเดียวนะจะอย่างอื่นด้วยนะรูปด้วยก็ได้ รูปหรือภาพที่เราเห็นมันก็ไม่ได้รบกวนเราเนะี่ยแต่ถ้าเราทุกขเมื่อไหร่ก็เป็นเพราะใจเราไปรบกวนกับรบกวนรูปนั้นอันนี้รวมถึงอารมณ์ด้วยอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนะความคิดฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นในใจความคิดฟุงะะ้งซ่านในขณะที่กําลังนั่งสมาธิเนี่ย ความคิดหล่านั้นไม่ได้รบกวนเรานะมันก็เป็นของมันของมันของมันอย่างนั้นแหละมันก็เหมือนกับพยับแดดหรือว่าแสงที่วาบแสงที่บูบมาแต่เป็นเพราะเราไปรบกวนมันต่างหากไปรบกวนความคิดฟุ้สร้างที่เกิดขึ้นรบกวนยังไงนะก็ไปสู้รบตกมือกับมันไปทะเลาะเ บ, บาแวงกับมันไปกดขม่มไป ไปผักใสมันนะสังเกตใจเราไหมเวลาเจริญสติเวลานั่งสมาธิเรามีความคิดฟุ้งซ่าเกิดขึ้นโอ้ยเราจะรู้สึกหลายมันจะเครียดทันทีเลยนะแล้วก็บอกว่านี่โอ้ยนั่งสมาธิไม่ได้เลยความคิดฟุ้งซ่าเหลือเกินความคิดฟุ้งซ่ามันไม่ได้รบกวนเรา อาจจะเราเพียงสัตว์ตัว่าเห็นมันเห็นมันมันเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่ก็ดับไปแต่เพราะเป็นเพราะไปสู้ลบตบมือกับมันอันนี้เราคือความหมายที่หลวงพ่อฌานใช้คำว่าลบกวนเป็นลบกว น, ไ ป, กวนไปสู้กับมันไปกดข่มมันที่จริงทําเช่นนั้นทําเช่นนั้นเพราะมันมีความความรู้สึกลบต่อเสียงนั้นจิตเรา เราตั้งท่านะ่หรือเราให้ค่ากับมันว่าเป็นลบนะความคิดฟุง้งซ่านนี่ในเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัตินะในเวลาที่ฝันกลางวันเราก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรกับความคิดฟุง้งซ่านกับพอใจได้ซ้ำนะถ้าเกิดว่ามันใจมันลอยไปโน่นไปนี่แต่พอตั้งท่าปฏิบัติทั้งท่าทำสมาธินะ ใจมันก็จะเริ่มรู้สึกเป็นลบนะกับไปความคิดฟุ้งซ่านพอมันเกิดขึ้นก็จะไม่พอนใจเราก็ไปเล่นงานมนะันไอ้ท่าทีของเรานั่นแหละนะท่าทีที่เป็นลบหรือการให้ค่าลบของแกเสียงนั้นรวมทังการเข้าไปเป็นปฏิปักษ์ต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นต่างหากเนี่ยคือตัวการทำให้ทุกข์ อย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานความโกรธไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าเป็นเพราะท่าทีของเราเนี่ยไม่ถูกต้อง เ, เช่นไปกดข่มความโกรธหรือว่าอีกทางหนึ่งก็คือไปไปยึดไปแบกบนะไปประคองความโกรธเอาไว้หรือว่าไปเป็นผู้โกรธนะอันนี้ก็ก็ทำให้ทุกข์ได้ อาทุกแล้วก็ยังไม่รู้ตัวก็ยังยังอยากจะโกรธต่อไปไปคุดคุยเรื่องของคนที่ทำให้เราโกรธเนี่ยก็ไปคิดไปคุยเอาเรื่องเก่าๆที่ไม่ดีของเขาผ่านไปแล้วสี่ห้าปีก็ยังหวนคิดเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ โกรธทให้ทับแขนมากขึ้นคนเราถ้ารู้ตัวเนี่ยว่ากำลังโกรธเนี่ยจะไ ม, จะไม่จะไม่ทำอย่างนั้นมีแต่จะพยายามหาทางบรรเทาความโกรธพยายามให้อภัยเขาหรือไม่ก็พาจิตกรรมอยู่กับปัจจุบันเพราะส่วนใหญ่ที่โกรธเนี่ยมันก็เพราะไปนึกถึงเรื่องนอนดีตเขาก็ไม่อยู่ตอนหน้าเรา แล้วที่เขาพูดเขาก็ลืมไปแล้วอันนี้เลยว่าเขาไปเป็นผู้โกรธไปยึดไปแบกมันนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเรามีสติเห็นมัน เ, นเห็นนั่นเห็นก็คือเห็นเฉยๆหรือว่ารู้ซื่อๆนะดูมันเฉยๆเหมือนกับเรา นั่งอยู่ริมตะลิ่งแล้วเราก็ดูกระแส น, น้ำไหลผ่านมันก็ไม่มีอะไรอะไรจะผ่านหน้าเราไปจะเป็นเรือสำราญจะเป็นผู้คนที่กำลังร้องทำทาเพลงสนุกสนานหนุ่มสาว บนเรือสำราญเดินผ่าแล้วขะแล่นผานแล้วไปแล้วก็แค่ดูเฉยๆไม่นึกอยากที่จะไปร่วมวงกับเขาด้วยกอสกอผักตกหรือว่ามาเน่าลอยน้ามาแล้วก็เห็นมันดูมนไปแล้วก็เห็นมันผ่านลอยไปไม่ได้ไปคิดไปสู้รบตกมือรถไปผักสายอะไรมันถ้าทํางั้นก็มันก็ไม่เหนื่อยอะไร การการเจระสติเนี่ยนมันไม่ไทําให้ใจเราเหนื่อยเลยอาจจะเมื่อยนะเมื่อยกายเพราะว่านั่งนั่งนานๆหรือว่าเดินนานๆแต่ว่าใจนี่ไม่ได้เหนื่อยอะไรถ้าเราดูเป็นนะแต่ถ้าเราดูไม่เป็นนี่มันก็เหนื่อยนะเหนื่อยการไปรกดข่มความคิด สกัดกั้นความคิดไปดักจ้องความคิดรนะวมทั้งเหนื่อยกับเสียงที่ได้ยินนะรำคาญยุงมแมลงที่มาตอมเนะี่ยไอพวกนี้เป็นเรื่องเรียกว่า ร, ร, รูปนะรูปเห็นยุงมาต่ามาตอมนี่อันนี้ก็เรียกว่าตากระทบรูปนะ ถ้าเราสึกใช้เฉยๆกับมันก็ไม่ทุกข์นะแต่พอไปไปให้ค่าเป็นลบนะแล้วก็รู้สึกยินร้ายขึ้นมามันก็ทุกข์เลยให้เราฝึกดูใจนะดูใจของเรานะเวลาเวลามีความทุกข์เนี่ยเวลามีความทุกข์ใจเนี่ยอย่ามัวแต่ส่งออกนอกอยเดียวให้กลับมาดูใจของเราด้วย เพราะว่าใจเราก็เรียกว่ามีส่วนมากทีเดียวหรือเป็นตัวการทำให้เกิดความทุกข์ใจทุกการนี่ตัวการอาจจะเป็นสิ่งภายนอกนะเป็นหลักแดดร้อนน้ำแหลมหรือว่าก้อนหินที่ที่มาทิ่มหรือมาถูกตัวเรา แต่ว่าถ้าเป็นทุกข์ใจแล้วนี่ไอตัวการสำคัญก็คือใจที่ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นไม่ถูกต้องนะเนี่ยยวางใจไม่ถูกวางใจไม่เป็นแต่ถึงแม้ปฏิบัติไม่ถูกเช่นไปนยึดไปผักไอ้ยึดกับผักนี่มันก็ดูมันตรงข้ามกันแต่ก็อันเดียวกันแหละยิ่งผักมากเท่าไหร่ก็ยิ่งยึดมากเท่านั้น ยิ่งพยยามักสายไปกใจก็ยิ่งยึดติดยิ่งจดจอแต่ถ้าเกิดว่าเราถึอแม้เราวางใจหรือปฏิบัติต่อสินนั้นไม่ถูกต้องแต่ถ้ามีสติรู้ทันนะมันก็จิตก็กลับ ม, มาเป็นปกติไอ้ที่เคยยึดเคยแบกก็เคยก็วางซะไอ้ที่ผักใส ต, ต่อเราต่อเถียงทะเลาะวิวาสกับมันก็กลับ ม, มาหยุดซะนะ ดูมันเฉยๆแต่ว่ า, าการที่จะดูเฉยๆแบบนี้มัน ก, ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันมันเป็นการสวนสวนทางกับนิสัยความเคยชินเดิมๆที่สะสมมา น, นานคนเราสะสมนิสัยที่จะไปทําอะไรต่ออะไรมากมายกับสิ่งที่มากระทบมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้ อะไรที่ไม่ถูกใจนะก็จะไปรลวมรลกทนตูวกับมันไม่ว่าสิ่งที่ไม่ถูกใจนั้นอยู่ภายนอกหรืออยู่ภายในม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าเป็นความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจที่เรียกว่าธรรมารมที่ยังมันมีนิสยัยตั้งแต่เริ่มให้ค่าตีค่ากับทุกสิ่งอยู่แล้วเห็นอะไรก็ให้ค่ากับมัน ก็ตีค่าว่าดีไม่ดีมันจะตีค่าแบบนี้ตลอดเวลาดีก็อยากได้ไม่ดีก็ผักใส เ, เมื่อดีถ้าดีก็ยินดีที่เจอถ้าไม่ดีก็เกิดความยินร้ายขึ้นมาสักธรรว่าได้ยินสัจธรรมว่าเห็นสักธรรว่ารับรู้นี่มันทากันไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ เพราะว่าเราถูกฝึกมาอย่างแบบแบบนั้นนะให้ตีข้าวทุกอย่างหรือให้ค่าจับสิ่งต่างๆโดยไม่รู้ตัวเลยแม้กระทั่งในฝันนะเจอใครบางคนก็ในฝันก็โอ้ดีเจอคนบางคนในฝันก็ไม่ดีนะนะ อันนี้มันมันฝังอยู่ในจิตไล้สานึกไปซะละแต่ที่จริงมันก็ถ่ถอนออกมาได้นะาการฝึกการเจริญสติและการภาวนานี่มาช่วยทำให้เราได้รู้ทันอาการของใจหรือปฏิกิริยาต่างของใจแล้วถ้าเราถ้าเรารู้ทันแล้วนี่นะอย่างน้อยใครทำอะไรนะกับเราเราก็ไม่ไม่หลงไป รวมรันพันตัวเขาด้วยหรือว่าเราไม่เราก็ไม่ผิดไม่พลาดอย่างเหมือนอย่างเขาเนี่ยเขาผิดเขาพลาดก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเราไม่ไปไปพลาดด้วยไม่ไปตอบโต้แบบเดียวเขาด้วยซึ่งทําให้ปัญหาลุกลามหรือทําให้เราทุกข์มากขึ้นมีวิชาคนหนึ่งนะแกเล่าเนะ่ย ก็เขียนเรื่องนี้ไว้ในหนังสือเร่องอุบายธรรมวันหนึ่งก็ขับรถพาหลวงพ่อไปที่แกล้งครอสระงที่ขับรถเนี่ยก็ขับรถสบายๆกับรถไม่ได้เร็วอะไรแต่ว่าจู่ๆมีรถคันนึงสวนมาแล้วก็กินเลนล้ําเข้ามากินเลนอ่าของรถหลวงพ่อเร็วมากเลยนะ คนขับรถก็เลยนะเลี้ยวเยวลีเ้ยวรถหลบข้างทางด้วยความตกใจแล้วก็พูดขึ้นมานี่ว่าทำไมท่าอย่างนี้นะทำไมทาไมขับเข้ามาในเลนของเราแบบนี้นะถ้าหลบแม่ทางนี้แย่เลยนะหลรงพ่อที่ได้ยินเสียงเขาทนะ่าทาง ทังตื่นทั้งโมโหโนะก็เลยพูดเตือนเขาเบาว่าเขาหลงนะแต่ว่าเราอย่าหลงแล้วกันเขาหลงนะแต่ว่าเราอย่าหลงเขาหลงมากินเลงของเรามากินทางเราแต่ว่าเราอย่าหลงหลงในที่นี้คือว่าใจไม่หลงนะตอนที่ คนขับรถพูดอย่างน้นเนี้ยเขากาลังตกใจแล้วเขาก็กลัว เ, เขาโกรธ ด, ด้วยนะเราอย่าหลงเนี่ยก็คือเราไม่ไปหลงพลัดเข้าไปในอารมณนะ์ตื่นตกใจหรือว่ากลัวหรือโกรธหรือว่าเศร้าหรืออะไรก็ตามเราจะไม่พลัดเข้าไปในความหลงได้เนี่ยนะก็ตอเมื่อเรามีสติรู้ทันใจของเราตอนที่เขาขับรถมา กินแลงเราแล้วเราก็ไม่พอใจแล้วก็ตกใจหรือว่าโกรธเนี่ยถ้าสตินิไวัยมันก็จะเห็นนะเห็นหนาการของใจแล้วก็หลุดจักแล้วทําให้ใจนิหลุดจักอารมณ์นั้นได้เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่รู้ทันเนี่ยมันก็ไม่หลงนะเพราะรู้กับหลงนี่มันตรงข้างกันหลงไปในอารมณ์เพราะว่าไม่ไม่รู้ตัวนะ หรือไม่รู้ทันอารมณ์นั้นนะแต่พอรู้ทันอารมณ์นั้นเมื่อไหร่มันก็หายหลงมันก็พ้นจากความหลงจะทำกันได้ต้องหมั่นดูใจบ่อยๆนะหมั่นดูใจนะหมั่นรู้ทันใจไม่่อจะเป็นความคิดหรืออารมณ์ใดที่เกิดขึ้นดีก็ตามโชก็ตามฟูก็ตามแฟบก็ตามบวกก็ตามลบก็ตามหมั่นดูบ่อยๆนะเห็นมันบ่อยๆมันจะรู้ทัน เวลาเกิดเรื่องฉุกเฉินเฉพาะหน้าเนี่ยนะเพราะคนหนึ่งเขาทำไม่ถูกนะคนหนึ่งเขาทำผิดทำพลาดแต่ว่าเราก็ไม่เราก็จะไม่พลาดแบบเขานะนะคนอื่นนี่เขาจะทำยังไงบางทีก็มันห้ามไม่ได้นะแต่ว่าเราสามารถสิ่งที่เราทำได้คือเราไม่ทำอย่างเขานะหรือว่าไม่ไป ทำให้ใหผสมโรงทำให้ปัญหามาลุกลามมากขึ้นนะใครก็จะโกรธก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเราอย่ากโกรธนะใครเขาจะโวยวายอย่างไรก็เป็นเรื่อ ง, ของเขาแต่ว่าเราอย่าทำนะทิมที่หลวงพ่อท่านเตือนนะคนขับรถนี่มัน เตือนใจเราได้ดีเหมือนกันนะเขาหลงนะแต่ว่าเราอย่าหลงแล้วกันนั้นถ้าเราถ้าเราทำางนี้ก็ถ้าก็เรามีสิ่งรักษาใจมีเครื่องรักษาใจไม่ให้ทุกข์ซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ที่เราควรควรมีควรทำนะต่อชีวิตจิตใจของเรานคนเรานอกจากมีหน้าที่ รักษาตัวให้รอดมีชีวิตอยู่รอดได้แล้วนะก็หน้าที่ใหญ่ย่างนะคือรักษาใจไม่ให้ทุกขนะ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามรักษาใจไม่ให้ทุกข์นี่จะไปไม่ได้ไม่ได้เกิดจากการไปเรียกร้องให้ใครต่อใครทําดีกับเรานะเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่เรียกร้องไม่ได้แต่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับเรานะแต่ว่าเราก็ไม่ทุกได้เรามีสละนะมีสละที่จะไม่ทุกได้ไม่ใช่ว่าเขาทำาข็าทำไม่ดีไม่ใช่ว่าเขาทำไม่ดีกับเราเราถึงจะทุกหรือว่าเราจะสุขได้ก็ต่อเมื่อมีคนทำดีกับเราถ้าเป็นแบบนี้ชีวิตเราก็ไม่เป็นสละนะไม่เป็นสละเลย สุขหรือทุกข์ของเราขึ้นอยู่กับการกระทาของคนอื่นถ้าเกิดมาแล้วเราปล่อยตัวปล่อยใจให้เป็นแบบนั้นมันก็ไม่คุมนะเอาสุขและทุกข์นี่ไปผูกติดอยู่กับการกระทาของคนอื่นหรือว่าขึ้นอยู่กับสิ่งรอบตัวบางคนเรามีความสามารถที่จะเป็นอิสระนะสุขหรือทุกข์ของเราไม่ได้ผูกติดอยู่กับใครมันอยู่ที่ การวางใจของเราเองเนี่ย น, นี่เป็นสิละที่ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักนะศิละคนส่วนใหญ่ก็นมื่ถึงการทำอะไรก็ได้การมีสิทธิที่มีสระภาพที่จะทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ถูกรัดเอนงด้วยข้อบังคับแต่ว่ากิจจะจะเป็นทาตนะวัตถุเป็นทาตเป็นทาสิ่งเสษนะ อันนี้เป็นท่าแม้กระทั่งสิ่งที่ง่ายๆนะใกล้ตัวนะเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยขาดไปไม่ได้เลยขาดเมื่อไรชื่นนะสนุกอ้างว้างรู้สึกว่าไม่รูทําทำอะไรไม่ถูกนะสูญเสียความมั่นใจตัวเองอันนี้เป็นเงนเยอะนะเริ่มเป็นเงนเยอะเขามีการศึกษาหลายชิ้นที่ชี้ชเห็นแล้ ว, ว่าคนจำนวนมากนี่พอไม่มีโทรศัพท์มือถื อ, อใกล้นี้ แต่ถ้าทาอะไรไม่ถูกจะรู้สึกอ้างว้างรู้สึกรู้สึกแยนะ่อันนี้เรียกเป็นธาตุนะแต่มไม่ใช่เป็นธาตุสิ่งภายนอกเป็นธาตุสิ่งภายนอกนี่ยังพอสังเกตง่ายแต่เป็นธาตุสิ่งภายในเลยเป็นธาตุอารมณ์ที่มาที่เกิดขึ้นอันนี้มันยากนะซึ่งที่จริงก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่มีสติได้รู้ทันแทนที่จะเห็นมันก็เป็นมันทราก็เลย อยู่ในอำนาจของมันกันเลย